คนหนุ่มคนสาวยิ่งเรียนไม่ยากนะศาสนาพุทธนะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้เลยเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลยังไง ร, นะรู้ได้ละเอียดทุกขั้นตอนไม่ใช่ศาสนาที่เลื่อนเลื่อนลอยลอยทำาไปเถอแล้วก็ดีเองอะไรอย่างี้ จริงพระเจ้าสอนสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลงดงามตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายนะงดงามทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเบษงดงามทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นลําดับลาดับไปอยู่ที่เราศึกษาให้เข้าใจก่อนนะรู้หลักการเรียนให้เข้าใจหลักก็คือปริยัตนั่นเองถัดจากนั้นต้องลงมือปฏิบัติ ฟังอย่างเดียวไม่ไดนะ้ไม่ฟังเลยก็ไม่ได้อยู่ๆไปปฏิบัติเราเองไม่ได้นะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจก พ, พุทธเจ้ารู้เองนะขนาดพระพุทธเจ้าบอกนะเรามาเดินตามยังยากเลยยากนี่หมายถึงจะเดินตามให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชีวิตนี้นะยากแต่ถ้าหวัง เพียงธรรมะในระดับที่อยู่กับโลกยังมีความสุขอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะธรรมะมีหลายระดับอย่างหลวงพ่อบอกเรืย่อยง่ายง่ายนะนี่พูดสำหรับญาติโยมหรอกนะธรรมะจะภาวนาในขั้นที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นพระโสดาบันพระสกทาคาอะไรเนี่ยครวาวว่าทาได้ไม่ไม่เหลือพิสัย แต่ขั้นถัดขึ้นไปเนี่ยฆร า, าวาสลำบากแล้วถึงขั้นอนาคาเนี่ยเริ่มยากมากแล้ทำให้ถึงที่สุดเนี่ยอย่าว่าแต่ฆร า, าวาสเลยเป็นพระก็เรียกว่าโคตรยากเลยยากจริงๆเนี่ยมันฝืนธรรมชาติ่ายต่ำตลอดเวลาอย่างฆราวาสทำไมเป็นพระอนาคายากเพราะฆราวาสเนี่ยจมอยู่กับความ อยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากดูได้ดูสนองความต้องการไปเรื่อยสนองได้ไมมได้ไม่ผิดศีลห้าก็ได้นะแต่การที่ใจเราสนองความอยากอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากสนุกสนานทางใจไม่ผิดศีลที่ไม่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรสำหรับคารวะา แต่มันทำให้เราติดอยู่ในโลกมันเพลินตัวรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระทั้งหลายเนี่ยในมีชื่อว่ากามคุณกามคุณทั้งห้าสำหรับคาราวะานะมันเป็นกามคุณเพราะมีโอกาสเสพมันแล้วเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามเห็นยากไม่เหมือนพระนะ อยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากได้จีบรลใหม่ๆไม่ได้อะไรเงี้ยนะเคยเล่าบ่อยๆมีพระอยากฉันข้าเดีียวตัวดำจะร้องไห้ไม่ใช่หลวงพ่อนะนี่องค์อื่นหลวงพ่อต่งแต่บวชมาไม่เคยอดเลยก่อนบวช น, นะเราทำบุญมาเยอะไม่อดหรอกผ้าผ่อนอะไรก็มีเยอะส่งไปช่วยพระ ตามต่างจังหวัดเนี่ยปีปีหนึ่งเยอะมากเลยหลายคันรถนะที่พวกเรามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อไปทําบุญต่อได้ประโยชน์นะไม่มีตกหลน่นะไม่มีทิ้งกว้างเลยนี่สำหรับพระนะเวลาความต้องการจะเห็นรูปเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เห็นอยากได้กลิน่นอยากได้รถอยากสัมผัสไม่ค่อยจะได้ความอยาก ในอารมณ์ในกรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษใจมันก็เบื่อหน่ายเอื่มลาออกจากกรรมง่ายฆราวาสออกจากกรรมยากมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันเรียกกรรมมาคุณเฉยเลยเพราอนเริ่มยากนะตอนขึ้นพระนาคาสําหรับฆรวาสเนี่ยยากอยากทดลองบางคนอยากทดลองถือศีลแปด นี่อยู่ศีลแปดไม่อยู่กับคู่ครองดูซิทาได้ไหมทาได้ยากไหมไม่ยากเพราะอะไรรู้ว่าอีกไม่กี่วันก็มาถือศีลห้อีกแล้วนะมันสบายใจมรู้ว่ากามยังรออยู่ข้างหน้าอีกนะแต่ถ้าออกบวชนะรู้ว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วนใจต้องต่อสู้เด็ดเดียวเหนียวแน่นมากเลยนะ มันการคุยกับอุปชาอุปชาหลวงพ่อเจ้าคุณราชกราคุณเป็นหลานหลวงปู่ดุลนะใครอยากรู้เรื่องหลวงปู่ดุลต้องไปถามท่านนะท่านบอกพระนะยุคนี้สมัยนี้เอาแค่ไม่อาบัติสังฆาทิเศตก็น่านับถือแล้วยากนะยากแต่ว่าถ้าเราเอาแค่ว่าเสียอยู่กับโลกนะไม่ถึงขั้นพ้นกามไม่ถึงขั้นพ้นอวิชชาเลย เป็นคารวาสเนี่ยไม่เหลือวิสัยเพราะพระโสดาเนี่ยเห็นอะไรพราะโสดาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเห็นแค่นี้เองพระอรหันต์นั้นยากสุดๆเลยเห็นอะไรเห็นจิตหนึ่งเห็นธรรมหนึ่งไม่เป็นคู่เห็นของเป็นหนึ่ง พวกเราถ้าภาวนาเบื้องต้นเราเห็นทำคู่แต่เห็นว่าสิ่งที่เป็นคู่คู่นั้นไม่มีเราไม่มีเราสิ่งที่เป็นคู่เช่นอะไรรูปธรรมกับนามธรรมนี่ก็เป็นคู่สุขก <las m ary> ับทุกขนี่ก็เป็นคู่ดีกับชั่วก็เป็นคู่สิ่งที่หยาบสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่อยู่ใกล้สิ่งที่อยู่ไกลสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่อยู่ภายนอกนี่เป็นคู่คู่ทั้งหมดเลย เราเห็นสภาวะทั้งหลายที่มันเป็นทำคู่คู่นี่ยนะไม่มีตัวมีตนเห็นเท่านี้เองไม่ยากอะไรเราหัดเรียนรู้นะสิ่งซึ่งมันมารวมกันคนซึ่งไม่ภาวนาเลยเนี่ยไม่เห็นทำคู่หรอกรู้สึกมีกูมีกูอยู่อันเดียวแหละนะรหัดภาวนาจะเห็นสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างรูปประธรรมกับ น, นามธรรมานี่ก็คู่หนึ่ง หักภาวนาแยกรูปธรรมานามธรรมถ้าไม่มีการแยกรูปแยกนามไม่มีการเจริญปัญญาจำไมเลยนะพวกเราการเจริญปัญญาในขั้นที่หนึ่งเลยคือการแยกรูปแยกนามแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆออกมาเป็นส่วนๆ mm hmm. แล้วจะเห็นว่าแต่ละส่วนนั้นไม่มีตัวเรานะเรียกเป็นวิพัตชวิตธีเรียนด้วยการแยก หากเบื้องต้นนะหัดแยกรูปธรรมนามธรรมาท ำ, ทำยังไงจะแยกได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะรูปธรรมนามธรรมาถึงจะแยกออกจากกันเพราะเราก่อนที่จะมาเดินปัญญาแยกรูปแยกนามจึงเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะี่ต้องฝึกจิตก่อนบทเรียนที่สองถึงชื่อจิตตสิกขานะบทเรียนที่ 3. ถึงจปัญญาสิกขาปัญญาสิกขานี่เริ่มจากแยกรูปแยกนามไป ต้องฝึกจิตขึ้นมาก่อนนะการฝึกจิตนั้นมีจิตอยู่สองอย่างที่ต้องฝึกนะจิตอันหนึ่งเป็นจิตที่สงบจิตอันหนึ่งเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นจิตที่ใช้ทาสมถะเอาไว้พักผ่อนดีไหมดีมีประโยชน์ไ้ยมนะีถ้าไม่มี จิตชนิดนี้เลยเดินปัญญารวดไปเลยนะจะแห้งแรงมากเลย เ, เหนื่อยมากนะเนื่องภาวนาแบบยากจนทูรูดถูกกังไปลำบากมากแต่ถ้าคนไหนทำสมถะได้นะน้ำจิตไปอยู่ในรมันเดียวที่มีความสุขความสบายได้เป็นช่วงๆจิตใจได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงนะเดินปัญญาต่อง่ายกับเรีย่ยกับเหลาหลวงพ่อเคยเป็นนะมีอยู่คราวช่วงหนึ่ง หลวงพ่อเนะีทำสมถะมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบทำทุกวันเลยไม่เคยเลิกเลยนะหายใจหายใจเข้าพูดออกโทอย่างี้หายใจอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันตอนหลังรู้สึกพุทโทมันเกินไปนะเยอะไปเป็นเครื่องรุงรังก็เหลือแต่หายใจเนะี่ยมันลดลงไปภาระมันน้อยลงนะหายใจอยู่22ปีนะจิตใจสงบมีความสุข วุนวายใจเมื่อไหร่ก็มาหายใจสงบทำทุกวันพอมาเจริญตัญญานะโชว่วงแรกแรกที่มาเจริญตัญญามาดูกายดูใจหลวงปูด่ดูลสอนให้ดูจิตไปหาท่านเมื่อวันที่6กลุมภา 2-5 ง้ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหัดดูดูมาจากสุรินนะมาแวะโคราชหาลงพระพุทธหน่อยแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมาอีกกลับมากรุงเทพ พอมาถึงใกล้ๆหัวลําโพงนะรูปกระนามมันแยกออกจากกันจิตมันถอนตัวออกจากขันแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งน้วสมาธิมีสองงนสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตไปนิ่งไปสงบอยู่ในอรมมันเดียวอย่างที่หลวงพ่อทําแต่เด็กๆหายใจไปแล้วจิตไปอยู่กับลมหายใจสงบลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างลมมันจะตื้น ลมมันจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะมันจะหายใจที่แรํมยาวไปถึงท้องเนะี่ยหายใจลงไปถึงท้องน้อยนะหายใจพอจิตสงบนะลมมันจะตื้นตื้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวนะแล้วก็นิ่งอยู่ที่ปลายจมูกนะรมมันนิ่งนะเป็นความสว่างขึ้นมาเราใช้ความสว่างใช้ดวงสว่างเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐานต่อจากลมหายใจ น, ะนี่วิธีทำสมถะนะ จิตไปรวมนิ่งสบายอยู่ในความสว่างนะนี่สมถะนี่พอไปหาหลวปู่ดูลนท่านบอกให้ดูจิตตัวเองพยายามดูนะว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนะดูลงไปในร่างกายจิตอยู่ในผมไหมดูไปที่ผมนะดูไปเรื่อยสัมผัสผมไปได้ไม่เห็นมีจิตในผม ในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนไม่ได้เจอว่าจิตอยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรไล่ขึ้นไล่ลงไปได้ถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญาให้มาปิ้งขึ้นมานะจิตมันถอนตัวมานิดหนึ่งมันเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายนะจิตอยู่ส่วนจิตตอนนี้ยังไม่เห็นจิตจริงๆหรอกนะแต่รู้สึกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่จิตมันแยกส่วนออกไปก็ามาคิดอีกนะว่าเอ๊หรือว่าความสุขความทุกข์เป็นจิต เอาล้วเรานั่งไม่ให้กระดุกกระดิกเลยนั่งมันปวดมากเลยนะดูไปในความปวดดูสิมีในจิตมีจิตในความปวดไหมดูลงไปในความปวดนะจนดูไปเรื่อยความปวดหายไปไม่เห็นมีจิตเหลืออยู่เลยเนะี่ความเจ็บความปวดไม่ใช่จิตหรือว่าความสุขเป็นจิตทําสมาธินะทาสมาธิจิตสงบสบายมีความสุขดูไปในความสุข ความสุขหายไปไม่เห็นมีจิตเหลืออยู่อีกนะโอ้เวทนาคือความสุขตอนนั้นไม่รู้ชื่อหรอกนรู้ชื่อมาอา่านหนังสือที่หลังก็ใช้แต่ภาษาไทยนะร่างกายไม่ใช่จิตหรอกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกหรือว่าความคิดเป็นจิตเนี่ยนั่งดูอย่างนี้มานะจนใกล้จะหัวลําโพงแล้วมานึกได้เอ๊ะหรือว่าความคิดคือจิตนะจงใจคิดเลย คิดบทสวดมนต์พุทโธสุดสุดโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกหลวงพ่อนรักพระพุทธเจ้าแต่ไหนแต่ไรสวดบทนี้นะซาบสูงใจท่องในใจท่องแะพุทโธสุดสุดโธกรุณามหันนโวปรากฏว่ามันเห็นในบทสวดมนต์เนี่ยนะมันผุดขึ้นมาจากความว่าง เฮ้ความคิดมันผุดขึ้นมาทันทีที่เห็นความคิดผุดขึ้นมาเห็นจิตมันคิดขึ้นมาจิตดีด ต, ตัวผางออกมาเลยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะเมื่อนั้นจะเกิดจิตรู้จำไว้นะนี่เคล็ดลับนะหว่าจะได้เคล็ดลับเนี่ยโอยยากเย็นนะไม่มีใครมาบอกง่ายๆหรอก งัพวกเราสังเกตให้ดีถ้าจิตไปคิดนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตคิดจะดับไปจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนจิตรู้มีลักษณะยังไงจิตรู้เป็นจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานจิตที่รู้จะสงบสะอาดและสว่างจิตที่รู้จะเบาจะอ่อนโยนนุ่มนวลจะคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อเรามีจิตที่รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเราฝึก บทเรียนที่2คือจิตตะศิขาเนี่ยจบและจิตตะศิขาเนี่ยฝึกแล้วจะได้สองอันได้จิต2ชนิดสมาธิสองชนิดนะสมาธิชนิดที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ความสุขได้ความสงบเช่นรู้ลมหายใจจิตสงบลงไปที่ลมนะจนลมกลายเป็นแสงสว่างนะเข้าฌานเข้าอะไรต่อไปหรืออยู่กับพุโทโธจิตไม่หนีไปไหนอยู่กับพุโทโธมีความสุขมีความสงบนะ อย่างนี้ก็เป็นสมถะไปดูท้องพองยุบจิตจะอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องไม่หนีไปอยู่ที่ไหนมีความสุขจิตก็สงบเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ามีความสุขที่ได้รู้เท้าจิตก็สงบความสงบเกิดจากความสุขจำไว้นะความสงบไม่ได้เกิดจากบังคับให้สงบงั้นเคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐานก็คือต้องรู้จักมีความสุข เลือกอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อนะอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเรามาอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบคนไหนอยู่ท้องฟองยุบแล้วมีความสุขดูท้องฟองยุบไปนะมีความสุขจิตจะสงบทําไมต้องมีความสุขจิตถึงสงบจิตที่ไม่สงบนะเพราะมันแสบสายเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขนั่นเองวิ่งไปดูหวังว่าจะสุขก็ไม่สุข วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสหวังว่าจะสุขแล้วมันก็ไม่สุกเลยที่วิ่งพล่านพลนสแสวงหาอารมณ์ไปด้วยสแสวงหากามะคุณนั่นเองแต่ถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์ใดแล้วมีความสุขมันพอใจแล้วมันก็ไม่วิ่งไปเหมือนเด็กนะไม่สนมีขนมอร่อยกินถูกใจไม่สนมีความสุขนั้นความสุขนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตจะสงบถ้าเรามีความสุขนี้สมาธิชนิดหนึ่ง สมาธิชนิดที่สองนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูคนละแบบกันอันแรกเอาไว้พักผ่อนอันที่สองเป็นจิตที่เตรียมพร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะนี่นเราต้องฝึกจิตจนได้สองชนิดนี้โดยเฉพาะจิตชนิดที่สองนี่สำคัญมากบางคนฝึกจิตชนิดที่หนึ่งไม่ได้ทำยังไงจิตก็ไม่สงบ ก, ก็ต้องภาวนาแบบสุขาวิปัสสกะลำบากแห้งแล้งแต่ว่าไปได้นะไปมรรคนิพพานก็ได้ เนการใช้ปัญญานำสมารถให้ปัญญานำสมาธิแต่ก่อนจะไปเจริญปัญญาได้ต้องฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนถ้าไม่มีจิตเป็นผู้รู้มีแต่จิตที่เป็นผู้คิดเนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดได้รมัวแต่รู้เรื่องที่คิดจะไม่รู้รูปนามเพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว ถ้าจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเสแล้วเนี่ยจิตจะรู้อย่างอื่นไม่ได้จะรู้กายไม่ได้จะรู้จิตไม่ได้รู้เวทนาไม่ได้นะรู้สังขารไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรนะจิตหลุดออกจากโลกของความคิดนะอารมณ์ที่จิตรู้เนี่ยมีสามชนิดอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยมีทั้งหมดสามชนิดชนิดที่ 1. คืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมานะชนิดที่2คืออารมณ์รูปนามนะ คือรูปธรรมนามธรรมของจริงซึ่งนักปฏิบัติที่จะทํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องมารู้อารมณ์รูปนามนี่อารมณ์ชนิดที่3ามคือนิพพานนะนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอารมณ์ทางใจนี่มี3กลุ่มกลุ่มที่1อารมณ์บรรยัติเรื่องราวที่คิดกลุ่มที่2 อ, อารมณ์รูปนามกลุ่มที่สามคือนิพพานนะถ้าไปรู้อันแดนหนึ่งแล้วจะไม่รู้อันอื่นนะงั้นคนในโลก ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เพราะมัวแต่หลงรู้แต่เรื่องที่คิดมัวแต่หลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะนั่นต้องฝึกนะฝึกให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วจิตจะมารู้อะไรจิตจะมารู้รูปนามไปรู้นิพพานได้ไหมยังไม่ได้ในขั้นนี้ยังไม่ได้เพราะพวกเรายังไม่เห็นนิพพาน ถ้เราจะมารู้กายรู้ใจได้หลวงพ่อเตียนท่านสอนดีท่านบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือการที่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะทํำยังไงเราจะฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้นะสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารยนะ์สอนแต่เรื่องจิตผู้รู้นะข้าวัดไหนท่านก็พูดคำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีพระหนุ่มเน้นน้อยคุยกันนะคุยแต่เรื่องนิมิต ดูคุณภาพมันตกไปเยอะเลยนะถ้าเรื่องนิมิตเนี่ยนิมิตมันไม่มีอะไรเหมือนฝันไปเท่านั้นเองนะาฝึกให้มันมีจิตเป็นผู้รู้วิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นะต้องรู้ทันว่าจิตไปคิดทำยังไงจะรู้ทันว่าจิตไปคิดได้เร็วนะต้องมีเครื่องอยู่ไว้สักอันหนึ่งให้จิตอยู่ก่อนถ้าจิตทิ้งเครื่องอยู่นั้นไปเมื่อไหร่นะมันจะรู้ได้เร็วว่าหลงไปคิดแล้ว ยกตัวอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะไม่ได้บังคับจิตให้อยู่ที่พุทโธแต่มีพุทโธเป็นแบ็กกราวน์นะพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธอ้าวจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ทันอย่างนี้ใช้ได้พุทโธพุทโธแล้วจิตไปนิ่งเงียบเลยละสงบนิ่งอยู่ละไปเพ่งจิตแล้วเรู้ทันหรือมารู้ลมหายใจก็ได้นะใครชอบลมหายใจก็รู้ลมหายใจ หายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายๆหายใจแล้วไม่บังคับจิตนะหายใจสบายหายใจนะหายใจหายใจไปนะหายใจหายใจเสร็จแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้พอจิตหนีไปคิดก็รู้ปั๊บเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาพอดีเลยนะหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนก็ได้หลวงพ่อเตียนท่านขยับมือสองข้างรวมกันสิบสีจังหวะ ขยับไปแล้วรู้สึกรู้สึกตัวขยับรู้สึกขยับไปแล้วคอยรู้สึกไปขยับไปขยับไปจิตแอบไปคิด hmm. รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดแล้วขยับไปแล้วจิตไปเพ่งใส่มือรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาดูท้องพองยุก็ได้ดูท้องพองยุบไปจิตไปเพ่งที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทัน ตรงที่จิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนั่นแหละจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะแล้วเราคอยฝึกนะหากรรมฐานันหนึ่งขึ้นมาก่อนอยู่ๆจะให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นย า, นะยากนะยากนะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพอไม่เหมือนคนสมัยพุทธ ก, กาลบางท่านนี่อินทรีย์เราไม่แก่กล้าเราก็มีเครื่องช่วยจิตสอย่างหารมกรรมฐานสักอันแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไป อยู่กับพุทโธจิตหลงไปเรารู้นะจิตไปเพ่งพุทโธก็ karate, รู้ไปเพ่งก็หลงเหมือนกันหลงเพ่งรู้ลมหายใจนะจิตไปเพ่งลมเนี่ยเวลาเพ่งลมก็หลงเพ่งเหมือนกันหลงเหมือนกันรู้ลมหายใจแล้วจิตนี <N <N ้ไปคิดก็ร like> ู้นี่หลงไปอีกแบบหลงเพ่งกับหลงเผลอนะทั้งเผลอทั้งเพ่งนะหลงทั้งคู่แหละดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไม่เรียนกับหลวงพ่อนะไม่มีไม่เคยบอกเลยนะว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไร แต่และคนถนัดไม่เหมือนกันเร า, าไปว่าของคนอื่นไม่ดีไม่ได้เราถนัดอย่างนี้คนอื่นเขาถนัดอีกอย่างนะไม่มีหลักสูตรสําเร็จรูปในการทํากรรมฐานนะพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้เยอะแยะเพราะจริตนิสัยของคนแตกต่างกันงั้นะเราไม่เรียนแบบใครจับหลักให้แม่นนะแต่ต้องฝึกให้มีผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาด้วยการหาอารมณ์กรรมฐานสักอันที่เราคุ้นเคยนะอยู่แล้วสบายใจแล้วค่อยๆสังเกตไป บางคนรู้อิริยาบถก็ได้บางคนรู้ลมหายใจก็ได้อย่างหายใจไปนะสังเกตเลยจิตไปเพ่งลมก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ในที่สุดจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่เริ่มเดินปัญญาได้นะตรงที่จิตหลุดออกจากโลกของความคิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันจะเริ่มเดินปัญญาทันทีที่เกิดจิตผู้รู้นะรูปธรรมนามธรรมจะเริ่มกระจายตัวออก แต่มีข้อยกเว้นบางคนมีจิตผู้รู้แล้วไปเพ่งจิตผู้รู้อยู่พวกนี้รูปธรรมนามธรรมจะไม่กระจายตัวจะสงบสบายจะว่างกลายเป็นสมถะอีกแบบหนึง่งนะเพราะนั้นเวลาเราเกิดจิตผู้รู้นะเวลาหลงไปคิดเรารู้ทันก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเราจะไม่ประคองจิตผู้รู้เอาไว้นะถ้าเราไปเพ่งจิตผู้รู้ประคองจิตผู้รู้ก็จะนิ่งๆิ่งทื่อๆกลายเป็นสมถะไปอีกแบบหนึง่งนะ มีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้อีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกนะรู้บ่อยๆในสุดรู้มันจะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะมันเหมือนเรามีจุดมีดินสออยู่แท่งหนึ่งนะเราคอยจุดลงไปในกระดาษแล้วจุดใบ่อยๆนะจุดทีๆนะมันจะดูเป็นเส้นขึ้นมาความรู้สึกตัวที่เกิดเป็นขณะขณะขณะนะั้นน่ะถ้าเกิดทีๆขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ารู้สึกได้ต่อเนื่องนะจริงๆความต่อเนื่องไม่มีเป็นภาพลวงตา นี้พอเรารู้ตัวทีทีทีขึ้นมานะถ้าสติระลึกรู้กายในขณะนั้นมันจะเห็นว่ากายนี้ออกไปส่วนหนึ่งนะกายไม่ใช่จิตนะสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตสติระลึกรู้สังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็จะเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่จิตแยกออกไปนะอันนี้สําหรับคนซึ่งอินทรีย์แก่กล้าหน่อยนะเคยเจริญปัญญามาแล้วแต่ชาติปางก่อนหรือชาตินี้ก็ได้นะ เคยหัดมาแล้วเนี่ยขันมันจะแยกตัวธาตุแยกธาตุขันแยกตัวไปแต่ถ้าไม่แยกต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะอย่างหลวงพ่อหัดนั่งรถไฟตอนนั่งรถไฟเนี่ยมันแยกเองไม่ได้ช่วยมันแยกนั่งมาจนถึงใกล้ๆกลรุงเทพนะพอใจรู้ว่าคิดนะจิตถอนตัวออกมาปุ๊บเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันแยกขันออกไปเลยขันกระจายตัวไปแต่ตอนนั้นยังโง่นะคิดว่าต้องมารักษาตัวผู้รู้ไว้ แทนที่ว่าจะอาศัยตัวผู้รู้แล้วไปดูขันมันทํางานเห็นขันทั้งหลายเกิดดับไม่มีตัวตนยังไม่เป็นไม่เข้าใจก็ากลับมาจับเอาตัวรู้พยายามแต่รักษาแต่ตัวรู้อยู่นะอันนี้ยังไม่ใช่การดูจิตที่แท้จริงการดูจิตไม่ใช่การรักษาตัวผู้รู้นะนิดบางคนถ้ามันไม่แยกต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกนะนั่งสมาธินี่แหละนั่งไป แลค่อยๆสังเกตร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูหรือบางคนแยกผมขนเล็บฟันหนังเลยผมเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสัมผัสมาเลยพวกเราผมยาวๆสัมผัสมันดูเห็นไหมผมเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้มันเข้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะขนเล็บฟันหนังนี่ขนขนคิ้วเล็บฟันหนังสัมผัสมันลงไปนะสัมผัสมันลงไป หรือรูปแขนลงไปรู้สึกไหมไอ้ น, นี่เป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเนีย่ยค่อยๆดูลงไปเงนะี้ยค่อยดูลงไปในร่างกายเป็นส่วนๆส่วนๆไปจค่อยๆเห็นนะ่ะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูกายไปเรือ่อยจนเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเมื่อยที่ไหนส่วนใหญ่เมื่อยที่ขาต่อมาก็เมื่อย ท, ที่เอวนะ แต่ละคนไม่เหมือนกันคนในเอวไม่แข็งแรงก็เมื่อยเอวก่อนแต่ส่วนใหญ่เมื่อยขาก่อนนะแต่เมื่อยอันแรกเลยเมื่อยใจเบื่อขี้เกียจนะอันนี้อาการสาหัสนะดูลงไปเพราะขามันเมื่อยนะค่อยดูลงไปเมื่อกี้ขาอยู่เฉยๆขาไม่เมื่อยความเมื่อยแทรกเข้ามาในขาความเมื่อยกับขาเป็นโคลนานกันนะนี่ดูอย่างนี้นะใจก็ยังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะ มันจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งอดทนต่อไปนะยังไม่เปลี่ยนอิริยาบทนะฝึกธรรมะต้องอดทนบ้างนะอดทนต่อไปนั่งไปเรื่อยนะความปวดความเมื่อยแรงขึ้นแรงขึ้นใจชักจะกระสับกระสายสังเกตไหมคะ่ะมันเมื่อยอยู่ที่ขาแต่ความกระสับกระสายทุรนทุลายมาเกิดที่ใจ นะตายนั่งนานๆเดี๋ยวเป็นั่งมพาดหลวงพ่อยังไม่เคยเจอใครนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเป็นอมมาพาดนะมันมไม่เคยเห็นเลยนะนั่งแล้วเดี๋ยวจะพิการเดี๋ยวเช่นวันนี้ใจทุรนทุรายขึ้นมาเรามีสติรู้ทันอกีกเราเห็นเลยว่าใจทีแรกไม่ได้ทุรนทุรายความทุรนทุรายมาทีหลังความทุรนทุรายไม่ใช่ใจของเราจนะแ ย, ะยกเป็นอีกขันหนึ่งชื่อสังขารขันนะแล้วค่อยๆแยกนะจะแยกขันออกไปสัญญาณนั้นเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องไปยุ่งนะ สัญญานั้นเป็นตัวหลอกลวงทําให้เราเห็นผิดว่าขันทั้งหลายเป็นเราตอนนี้แฝงไหมก่อนสัญญาเนี่ยจะเป็นล้างสัญญาที่เห็นผิดสัญญาบิปาลาดที่เห็นผิดด้วยการเห็นถูกเห็นขันตามความเป็นจริงแล้วจะค่อยไปล้างสัญญาที่ไม่ดีนะแล้วดูลงไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายบ้างความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจบ้างกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจ แล้วใครดูไปตัวจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเผลอไปเลยหายไปเลยไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรดูอย่างนี้นะจะเห็นเลยขันทั้งหลายนั้นไม่มีตัวเราหรอกร่างกายเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เริ่มรู้แล้วเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในกายบ้างในใจบ้างนะ เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เริ่มรู้แล้วนะกุศ ล, ลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เริ่มรู้แล้วแต่ตัวจิตนี่แหละยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่วิธีดูจนเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราขันอื่นไม่เป็นเราเนี่ยดูง่ายมากเลยฝึกกับหลวงพ่อเดือนหนึ่งก็เริ่มเห็นนะวว่าขันต่างๆไม่ใช่เราเหลือแต่จิตเดียวเป็นเรา วิธีดูให้เห็นจิตไม่เป็นเรานะดูไปสิเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ดิ้นที่กายที่ใจเห็น <c oughs> ในมุมใดก็ใช้ได้เท่านั้นแหะก็จะเห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่คงที่นะมันมีความแปลกรวนเกิดขึ้นตลอดเวลามีสิ่งที่เรียกว่าทำคู่เกิดขึ้นตลอดเวลาคําว่าคู่เนี่ยไม่ใช่จะต้องเป็นสองนะ เป็น3ก็เรียกว่าทำคู่4ีก็คู่5ก็คู่ร้อยแก็เรียกว่าคูนะ่คู่หมายถึงมีการเปรียบเทียบได้วเวลาเรียนกรรมฐานเนี่ยนะเรียนวิปัสสนาเนี่ยเราเรียนอยู่ในทำคู่นะกระทั่งดูจิตเรายังดูจิตที่เป็นทำคู่เช่นจิตมีราคะจิตไม่มีราคะนี่เกิดแล้วดับเหมือนกันจิตมีราคะเกิดแล้วดับจิตไม่มีราคะเกิดแล้วดับ จิตมีโทสะเกิดแล้วดับจิตไม่มีโทสะเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับนะ <auction> ดูอย่างนี้เรื่อยไปในสุดจะเห็นเลยจิตเองเกิดดับตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เรียก ว, ว่าตัวตนถาวรในจิตนี้อีกนะนี่ถ้าเราเห็นแจ้งนั้นในขันห้าไม่มีตัวเราเห็นแจ้งอย่างแท้จริงนะไม่ใช่คิดเอานะจิตจะรวมเข้าอาปนาสมาธิแล้วเกิดโสดาปติมัติขึ้นนะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆก็นึกว่าเป็นละไม่ใช่มีกระบวนการที่เกิด นะนี่เราฝึกอย่างนี้นะไม่ยากเท่าไหร่หรอกฝึกไปบางคนใช้เวลา7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีบางคน7ชาติบางคนบอกเป็นแสนแสนชาติมีนะบางคนบอกต้องฝึกเป็นแสนแสนชาติก็เพราะว่าไม่มาดูรูปนามนั่นแหละนะไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไปรู้รูรรปธรรมนามธรรมที่กระจายตัวออกไปนะ เ, เชิญไปทานข้าวนะนี่มนเลยครับทุกองค์เลยนมน